ภาระงานในด้านต่างๆด้านการศึกษาภาระหน้าที่ด้านการศึกษาของเจ้าประคุณสมเด็จนั้นมีทั้งหน้าที่ในส่วนของวัดและหน้าที่ในส่วนของคณะสงฆ์หน้าที่ทางการศึกษาที่เป็นส่วนของวัด เจ้าประคุณสมเด็จก็ทรงเริ่มทำหน้าที่นี้มาตั้งแต่ทรงเป็นพระป ร, ะริยญนคือเป็นครูสอนพระปริยัติธรรมทั้งแผนกนักธรรมแล ะ, ะแผนกบาลีเป็นผู้อำนวยการศึกษาสำนักเรียนวัดบรวรนิเวศวิหารดังกล่าวแล้วในตอนต้นเมื่อทรงดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดบรวรนิเวศวิหารนับแต่พุทธศักราช2504เป็นต้นมาก็ทรงมีภาระหน้าที่เพิ่มขึ้น คือการอบรมสั่งสอนภิกษุสั ม, มเนนในฐานะทรงเป็นพระอุปชาอาจารย์และทรงอบรมสั่งสอนอุบาสกอุบาสิกาในฐานะที่ทรงเป็นเจ้าอาวาสหรืออธิบดีแห่งพระอารามการอบรมสั่งสอนภิกษุสัมมาเนในฐานะที่ทรงเป็นพระอุปชาอาจารย์นั้นเป็นประเพณีที่ปฏิบัติสืบกันมาในวัดบวรนิเวศวิหารแต่ครั้งพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่ อ, อยังทรงผนวดอยู่และทรงเป็นเจ้าอาวาสวัดบรวรนิเวศวิหารกล่าวคือพระอุปชาอาจารย์มีหน้าที่ต้องอบรมสั่งสอนสิทธิของตนที่เรียกว่าสิทธิวิหาริกอันเตวาสิกให้มีความรู้ความเข้าใจในพระธรรมวินยัยทั้งในด้านปริยัตและด้านปฏิบัติในด้านปริยัตคืออบรมสั่งสอนให้มีความรู้ความเข้าใจ ในพระธรรมคาสอนของพระพุทธศาสนาในด้านปฏิบัติคือแนะนําและฝึกหัดให้รู้จักปฏิบัติสมาธิกรรมฐานเพื่อรักษาและขัดเกลาจิตใจจากกิเลสในยุคที่เจ้าประคุณสมเด็จทรงเป็นเจ้าอาวาสก็ได้ทรงปฏิบัติหน้าที่นี้ต่อเนื่องมาโดยตลอดกล่าวคือในช่วงเข้าพรรษา ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่มีภิกษุสัมมเนรบวทใหม่จำนวนมากเจ้าประคุณสมเด็จทรงให้การอบรมสั่งสอนภิกษุสัมมเนรใหม่ในเวลา13นาฬิกาเป็นประจำทุกวันวันละประมาณหนึ่งชั่วโมงนับเป็นการให้การศึกษาด้านปริยัติในวันพระและวันหลังวันพระทรงให้การอบรมเรื่องการฝึกปฏิบัติสมาธิกรรมฐานในเวลา19นาฬิกา ทรงบรรยายธรรมะที่เป็นการให้แนวปฏิบัติสมาธิก ร, รมฐานพอสมควรแก่เวลาแล้วทรงนำฝึกนั่งปฏิบัติสมาธิกรรมฐานคราวละประมาณ15 2 0ถึงนาทีนับเป็นการให้การศึกษาด้านปฏิบัติสำหรับการอบรมสั่งสอนเรื่องการฝึกปฏิบัติสมาธิก ร, รมฐานนั้นมีสอนตลอดทั้งปี ไม่ได้จำกัดเฉพาะในพรรษาเท่านั้นและเปิดโอกาสให้อุบาสกอุบาสิกาผู้สนใจทั่วไปเข้าร่วมฟังและร่วมฝึกปฏิบัติด้วยจึงมีผู้เข้ารับการอบรมทั้งภิกษุสามเนรและอุบาสกอุบาสิกาแต่ละครั้งจำนวนเป็นร้อยโดยเฉพาะในช่วงเข้าพรรษาการปฏิบัติภารกิจที่นับว่าเป็นการให้การศึกษาพระพุทธศาสนาแก่คนทั่วไปอีกอย่างหนึ่งก็คือ การเทศในพระอุโบสถเจ้าพระคุณสมเด็จทรงปฏิบัติเป็นกิจวัตรคือการเทศในพระอุโบสถทุกวันพระขึ้นแรม15บ้าค่ำคือเดือนละสองครั้งในการเทศของเจ้าพระคุณสมเด็จแต่ละครั้งนั้นทรงมีการเตรียมเป็นอย่างดีซึ่งวิธีการดังกล่าวนี้ก็ทรงได้แบบอย่างมาจากสมเด็จพระสังฆราชเจ้าผู้ทรงเป็นพระอุปัชฌาย์ของพระองค์กล่าวคือ ก่อนวันที่จะทรงเทศทรงพิจารณาเลือกหัวข้อธรรมะจากพระไตรปิฎกว่าจะทรงเทศเรื่องอะไรแล้วทรงจดบันทึกหัวข้อธรรมะหรือพุทธภาษิตบทนั้นมาทบทวนจนขึ้นใจหลังทรรมวัดสวดมนต์ก่อนที่จะเข้าจำวัดในคืนวันนั้นก็จะทรงเอาหัวข้อธรรมะที่ทรงเตรียมไว้นั้นมาไตรตรองว่าธรรมะแต่ละข้อมีความหมายว่าอย่างไรมีกระบวนการธรรมะอย่างไร มีความเกี่ยวโยงกันอย่างไรจนเข้าใจแจ่มแจ้งในพระไทยตั้งแต่ต้นจนจบเท่ากับทรงลองเทศให้พระองค์เองฟังก่อนแล้วจึงส่งนำไปเทศให้คนอื่นฟังต่อไปเพราะฉะนั้นการเทศหรือการแสดงธรรมะของเจ้าพระคุณสมเด็จแต่ละครั้งจึงมีความแจ่มแจ้งชัดเจนมีความกระชับทั้งในภาษาและเนื้อความคนที่เคยฟังเจ้าพระคุณสมเด็จเทศ มักกล่าวตรงกันว่าเจ้าพระคุณสมเด็จนั้นพูดเหมือนเขียนและเนื่องจากเจ้าพระคุณสมเด็จทรงเทศจากความคิดลีลาการเทศของพระองค์จึงต่างจากพระเทระอื่นๆคือพูดช้าๆเป็นวักเป็นตอนเหมือนกับทรงทิ้งช่วงให้คนฟังคิดตามกระแสธรรมะที่ทรงแสดงคนที่ฟังเทศของเจ้าพระคุณสมเด็จอาจจะรู้สึกไม่สนุกเพลิดเพลิน แต่รู้สึกว่าได้คิดพร้อมทั้งอาจจะได้ฟังสิ่งที่แปลกใหม่จากที่เคยฟังมาห <Luther an> น้าที่ทางการศึกษาที่เป็นส่วนของคณะสงฆ์เจ้าพระคุณสมเด็จก็ได้เริ่มมีส่วนร่วมและรับภาระหน้าที่ต่า ง, างๆมาตั้งแต่ยังเป็นพระปริียนดังกล่าวมาในตอนต้น กล่าวคือพุทธศักราช2488คณะธรรมยุตโดยสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิระยานวงศ์คณะทรงดำรงพระสมณศักดิ์ที่สมเด็จพระวชิระยานวงศ์สมเด็จพระสังฆราชเจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุตและนายกกรรมการมหามงกุฎราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ได้ตั้งมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาแห่งแรกในประเทศไทยขึ้นเรียกว่า สภาการศึกษาของมหามงกุฎราชวิทยาลัยมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทยซึ่งปัจจุบันเรียกว่ามหาวิทยาลัยมหามงกุฎราชวิทยาลัยเมื่อวันที่31ธันวาคมพุทธศักราช2488ัเจ้าประคุณสมเด็จซึ่งขณะนั้นยังเป็นพระประเรียนเป็นผู้มีส่วนร่วมในการดำเนินการขอตั้งด้วยรูปหนึ่ง ร่วมกับพระเทระธรรมยุตอื่นๆอีกหลายรูปและทรงได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการสภาการศึกษามหามงกุฎราชวิทยาลัยชุดแรกด้วยมีหน้าที่กํากับดูแลการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาแห่งนี้ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและต่อมาก็ได้ทรงเป็นอาจารย์บรรยายวิชาพระสูตรหรือพระสุตตันตปิฎกด้วย พุทธศักราช 2,504 ขณะทรงดำรงสมณศักดิ์ที่พระศาสนาโสภาทรงเป็นประธานกรรมการสภาการศึกษามหามงกุวิทยาลัยและทรงเป็นผู้อำนวยการมูลนิธิมหามงาวิทยาลัยในพระบรมราชูประฐมซึ่งเป็นองค์กรเพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนาทั้งในด้านการศึกษาและการเผยแพร่ พุทธศักราช 2,509 ขณะทรงดำรงสมณศักดิ์ที่พระศาสนาโสพลทรงเป็นประธานกรรมการอำนวยการฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศซึ่งโครงการศาสนาจัดตั้งขึ้นโดยความเห็นชอบของมหาเถระสมาคมในความอุปถัมภ์ของรัฐบาลเป็นสถาบันฝึกอบรมวิชาการชั้นสูงสำหรับพระสงฆ์ที่จะออกไปปฏิบัติหน้าที่เป็นพระธรรมทูต เผยแผ่พระพุทธศาสนาในต่างประเทศในระหว่างที่ทรงเป็นประธานกรรมการอํานวยการฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศนั้นเจ้าพระคุณสมเด็จทรงเห็นความสําคัญของการจัดการศึกษาชั้นสูงให้แก่พระสงฆ์เพราะจะเป็นประโยชน์ต่อการสั่งสอนและเผยแผ่พระพุทธศาสนาทั้งในประเทศและต่างประเทศจึงได้ส่งเสนอแนวพระดรําริต่อคณะกรรมการอํานวยการ และผู้ที่เกี่ยวข้องให้มีการจัดการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นในมหาวิทยาลัยสงทังองแห่งคือมหามงกุฎราชวิทยาลัยในวัดบวรนิเวศวิหารและมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยในวัดมหาธาตุโดยบรรจุหลักสูตรพระธรรมทูตไปต่างประเทศไว้เป็นส่วนหนึ่งของปริญญาโทดังกล่าวนั้นด้วยพระดําริดังกล่าว ได้รับการพิจารณาจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดีและได้มีการร่างโครงการศึกษาขั้นปริญญาโท ข, ของคณะสงค์ขึ้นแต่โครงการดังกล่าวก็หยุดชะงักไปเพราะความไม่พร้อมในลหลายๆด้านของมหาวิทยาลัยสงทั้งสองแห่งกระทั่งอีก20ปีต่อมาพระดำริของเจ้าประคุณสมเด็จ ด, ดังกล่าวนั้นจึงได้รับการสารต่อโดยมหาวิทยาลัยสงทั้งสองแห่ง ได้เปิดหลักสูตรปริญญาโทสำหรับพระสงฆ์ขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อพุทธศักราช 2,530 ในระหว่างที่ทรงเป็นประธานกรรมาการอำนวยการฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศเช่นกันเจากก้าประคุณสมเด็จได้ทรงเสนอมหาเทราสมาคมให้รับรองมหาวิทยาลัยสงฆ์ทั้งสองแห่งคือมหามงคุตราชวิทยาลัย และมหาจุลาลงกรณราชวิทยาลัยเป็นการศึกษาของคณะสงฆ์เพราะในช่วงเวลาที่ผ่านมามหาวิทยาลัยสงฆ์ทั้งสองแห่งมีสถานะเสมือนสถาบันการศึกษาที่ดำเนินการโดยเอกชนโดยคณะสงฆ์ไม่ได้รับรองซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาการศึกษาของมหาวิทยาลัยสงฆ์ทั้งสองแห่งเป็นอันมากผลจากข้อเสนอของเจ้าประคุณสมเด็จ ด, ดังกล่าว มหาเถระสมาคมจึงได้พิจารณาและให้การรับรองมหาวิทยาลัยสงฆ์ทั้งสองแห่งเป็นการศึกษาของคณะสงฆ์เมื่อวันที่16พฤษภาคมพุทธศักราช2512และได้มีการตั้งสภาการศึกษาของคณะสงฆ์ขึ้นในศกเดียวกันเพื่อเป็นศูนย์กลางสำหรับส่งเสริมควบคุมนโยบายการศึกษาทั้งปวงในฝ่ายสังฆมณฑลและสาหรับประสานงาน ระบบการศึกษาทุกสาขาของคณะสงฆ์พุทธศักราช2512คณะสงฆ์ดำรงสมณศักดิ์ที่พระศาสนาโสมพลทรงเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิโครงการจัดตั้งโรงเรียนพระสังฆาธิการส่วนกลางพุทธศักราช2515คณะสงฆ์ดำรงสมณศักดิ์ ที่สมเด็จพระญานสังวรทรงเป็นประธานกรรมการบริหารงานของสภาการศึกษาของคณะสงฆ์เป็นรองประธานกรรมการและผู้อำนวยการโรงเรียนพระสังฆาธิการคณะธรรมยุทธ์พุทธศักราช2516ทรงเป็นประธานอนุกรรมการพิจารณาปรับปรุงหลักสูตรศาสนาศึกษาของคณะสงฆ์พุทธศักราช2518 ทรงเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนครูปริยติธรรมคณะธรรมยุทธ์พุทธศักราช2531ทรงเป็นนายกสภาการศึกษามหามงกุฎราชวิทยาลัยปัจจุบันเรียกว่านายกสภามหาวิทยาลัยมหามงกุฎราชวิทยาลัยทรงเป็นนายกกรรมการมูลนิธิมหามงกุฎราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถมัมภ์ ในฐานะนายกกรรมาการมูลนิธิมหามงกุฎราชวิทยาลัยได้ส่งอำนวยการให้เกิดผลงานอันเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาพระพุทธศาสนาขึ้นหลายอย่างกล่าวคือ 1. โปรดให้มีการแปลตำรานักธรรมชั้นตรีชั้นโทและชั้นเอกซึ่งเป็นการศึกษาขั้นพื้นฐานของคณะสงฆ์ไทยเป็นภาษาอังกฤษทั้งนี้เพื่อเป็นอุปกรณ์ในการศึกษาพระพุทธศาสนา ของภิกษุสามเณรชาวต่างประเทศที่เข้ามาบวชศึกษาอยู่ในประเทศไทยตลอดถึงเป็นการเอื้อประโยชน์ต่อชาวต่างประเทศทั่วไปที่สนใจศึกษาพระพุทธศาสนาด้วยทั้งเป็นการเผยแพร่ผลงานของบูรพาจารย์ที่เป็นนักปราชทางพระพุทธศาสนาของไทยให้เป็นที่แพร่หลายไปยังนานาประเทศด้วย 2. โปรดให้มีการแปลพระไตรปิฎกพร้อมทั้งอัตถคถาเป็นภาษาไทยการแปลพระไตรปิฎกเป็นภาษาไทยได้มีการแปลมาแต่ครั้งรัชกาลที่8ในสมัยสมเด็จพระสังฆราชในวงเล็บแพติสเทโววัสุทัศเทวรารามและได้จัดพิมพ์ขึ้นครั้งแรกคราวงานฉลอง25พุทธศตวตรรษพุทธศักราช2500แต่พระไตรปิฎกแปลครั้งนั้น ยังไม่มีการแปลอัฏฐกถาซึ่งเป็นคําอธิบายพระไตรปิฎกควบคู่กันไปด้วยในครั้งนี้จึงโปรดให้แปลคำภีอัฏฐกถาซึ่งเป็นคำภีคู่กับพระไตรปิฎกและพิมพ์คู่กับพระไตรปิฎ ก, ก, กด้วยฉะนั้นพระไตรปิฎกแปลฉบับมหามงกุฎราชวิทยาลัยจึงแปลกกว่าพระไตรปิฎกฉบับที่เคยแปลมาแต่ก่อนเพราะมีอัฏฐกถาคือคําอธิบาย พิมพ์ควบคู่กันไปด้วยพระไตรปิฎกและอัฏฐกถาแปลฉบับมหามงกุฏราชวิทยาลัยดังกล่าวนี้จึงมีจํานวนถึง91เดเล่มประกอบด้วยพระไตรปิฎก45้าเล่มรวมกับอัฏฐกถาด้วยเป็น91เอดเล่มการที่ได้แปลคำพีอัฏฐกถาออกเป็นภาษาไทยด้วยนั้นนับเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาพระไตรปิฎกเป็นอย่างมาก เพราะเนื้อหาและเรื่องราวบางอย่างของพระพุทธศาสนาที่ไม่มีปรากฏในพระไตรปิฎกนั้นมักมีปรากฏอยู่ในคำพีอัตถกถาคำพีทั้งสองจึงเป็นคำพีสำคัญคำพีหลักของพระพุทธศาสนาการแปลคำพีสำคัญทั้งสองเป็นภาษาไทยจึงเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาพระพุทธศาสนาเป็นอันมาก พระไตรปิฎกและอัทธกถาแปลฉบับดังกล่าวมหามงกุฏราชวิทยาลัยได้จัดพิมพ์เนื่องในโอกาสครบ200ปีแห่งพระราชวงศ์จั ก, กรีกรุงรัตนโกสินทร์เมื่อพุทธศักราช2525เป็นครั้งแรก 3. โปรดให้มีแผนกหนังสือพระพุทธศาสนาภาษาต่างประเทศขึ้น ในมหามงกุฎราชวิทยาลัยสำหรับเป็นศูนย์ตํารับตําราและหนังสือทางพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ผู้สนใจที่จะศึกษาพระพุทธศาสนาในภาษาต่างประเทศทั้งที่เป็นชาวไทยและชาวต่างประเทศกล่าวได้ว่าเจ้าประคุณสมเด็จทรงเป็นพระมหาเทระที่ทรงมีวิสัยทัศน์ทางการศึกษา พร้อมทั้งทรงสนับสนุนการพัฒนาด้านการศึกษาของคณะสงฆ์ทั้งทางป ร, ริยัติและทางปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่องนอกจากการศึกษาของภิกษุษสัมมเนนหรือการศึกษาของคณะสงฆ์แล้วเจ้าพระคุณสมเด็จยังมีส่วนในการสร้างสารร์วิชาการในสถาบันการศึกษาของบ้านเมืองอีกด้วยกล่าคือพุทธศักราช 2,514 ทรงได้รับอาราธนาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ให้ทรงเป็นอาจารย์พิเศษสอนวิชาพื้นฐานอารยธรรมไทยร่วมกับหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชโดยทรงบรรยายเรื่องพระพุทธศาสนากับสังคมไทยเจ้าพระคุณสมเด็จจึงทรงเป็นพระเถระรูปแรกที่ได้รับอาราธนาให้เป็นอาจารย์พิเศษสอนวิชาเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ซึ่งในขณะนั้นการเรียนการสอนวิชาเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาในมหาวิทยาลัยยังไม่เป็นที่แพร่หลายพุทธศักราช 2,519 ทรงได้รับอารัธนาจากคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ให้เป็นอาจารย์พิเศษสอนวิชาสมถะและวิปัสสนาแก่นิสิตภาควิชาปรัชญาและาศาสนา ซึ่งเป็นวิชาบังคับสำหรับนิสิตชั้นปีที่สวัตถุ ing, ประสงค์สำคัญของวิชานี้คือมุ่งให้นิสิตได้เรียนรู้พระพุทธศาสนาทั้งภาคปริยัติคือภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติโดยมุ่งเน้นให้นิสิต Building, ได้รับการฝึกปฏิบัติสมาธิอันจะเป็นผลดีต่อการปลูกฝังจริยธรรมคุณธรรมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จึงเป็นมหาวิทยาลัยแรกที่บรรจุวิชาสมาธิและวิปัสสนา ปัจจุบันเรียกว่าวิชาการฝึกสมาธิตามแนวพุทธศาสนาไว้ในหลักสูตรการศึกษารวมทั้งวิชาทางพระพุทธศาสนาอื่นๆ อ, อีกหลายรายวิชาเจ้าพระคุณสมเด็จก็ทรงเป็นพระมหาเทระรูปแรกที่เป็นอาจารย์พิเศษสอนวิชาสมถะและวิปัสสนาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ซึ่งทรงสอนต่อเนื่องมาเป็นเวลาหลายปี จึงมีพระเทระรูปอื่นมาสอนแทน